ก็รู้ชัดว่ากําลังเสวยทุกข์ 3. รู้สึกเฉยเฉยก็รู้ชัดว่ากําลังรู้สึกเฉยเฉยสเปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัดระหว่างเสวยสุขแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอก 5. เปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัด